ปัจจุนจะสิบสองะมีใครมีอายุเท่านี้มั้งเอามาคูณสองเเกือบได้เลยเล่นนะคูณสองเลย้นอันั้นอ และเชื่อว่าถ้าขนาดนั้นแล้วสายไม่ก็ได้เทศะ่ะหกสิบหกสิบกว่าหกสิบฝ <c oughs> างสายวันหนึ่งจะพูดนับคำได้ <c oughs> ตอนนี้ก็ลดไปเยอะย <c oughs> มาดูในปฐมสมิทธิสูตรเนี่ยนะ <c oughs> สังยุติเนกาสลายตนวัตอันนี้ไปดูข้อความในมูลเปรียยสูตรท่านพูดถึงสังโยชเนี่ยนะแต่คำว่าสัง่งโยต์เนี่ยแปลว่าเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพนะอีกนายหนึ่งบอกว่าประกอบภพบเอาไว้กับภพบนั่นเองประกอบภพบ ใ, หให้อยู่กับภพบนะ เครื่องผูกสัตว์เอาไว้ในพบหเหมือ น, นหรือว่าย่อมเชื่อมพบเอาไว้ด้วยพบเชื่อมกาสมาพบเอาไว้กับกับพบไหนดีกับกาสมาพบอีกอันละนะหรือว่าเชื่อมกาสมาพบเอาไว้กับรูปประพบหรือว่าเชื่อมไปไว้กับอรูปประพบแต่ว่ากิจของสังโยชน์ก็คือเนี่ยเชื่อมเอาไว้กับพบถ้าพูดง่ายๆก็คือเอาตาไปไว้เชื่อมตาอีกต่อไปอะนะคือมีตานี้ใช่ไหม สังโยชน์มันก็เชื่อมให้มีตาอันต่อไปนะมีหูอันนี้มันก็เอาไว้เชื่อมไม่มีหูอีกต่อไปแะมีจมูกมันก็เชื่อมให้มีจมูกต่อไปแต่ว่าจะงวงยาวรู้เปล่าเรื่องนะจะด่งมากโด่งเข้าช้างไม่ไหวมันนะหรือว่าจะเชื่อมลิ้นเอาไว้ให้มีลิ้นต่อไปนะเชื่อมกายให้มีกายอีกเชื่อมใจให้มีใจอีกแล้ว่าเชื่อมภพให้มีภพดิ้นนะอันนั้นเรียกว่าสังโยชน์ธว่าองค์ธรรมของสังโยชน์คือ ปฏิสนที่จิตและกรรมชือรูปใช่ไหมครับคำว่าสังโยชน์พบครับคำว่าพบนี้แบ่งออกเป็นสองคือกรรมมาพบกับอุปติภ พ, พ อ, อุปติภพเนี่ยครับแต่อุปติภ พ, พก็วิบากกับกรรมมาเช่อรูปปฏิสนที่จิตและกรรมชืรูปหรือวิบากกรรมมาเชืรูปวิบากและกรรมชืรูปเรียกว่าพบเรียกว่าอุปติภ พ, พนะส่วนไอ้สังโยชน์มันก็เชื่อมเอาไว้เป็นตัวเชื่อมกรรมให้ติดกับวิบากนะ เชื่อมกรรมให้มีวิบากนั้นเองแต่ถ้าไม่มีสังโยชน์นะพบไม่มีไม่มีการเกิดอยู่แล้วในบรรดาชื่อของบรรดากิเลสเนนะี่ยเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องเครื่องผูกเครื่องมัดใช่ไหทั้งนั้นโยคะก็ใช่สังโยชน์ก็ใช่เซเวทํพชื่อว่ า, าวคือเป็นสัพเท่ ใช้คําว่าประกอบบ้างผูกบ้างร้อยบ้างรัดบ้างมัดบ้างเนี่ยนะก็คือคื อ, ป ร, อประกาศถึงความผูกพันความเปี่ยวพันความเชื่อมต่อความโยงใยเนี่ยนะคือแล้วก็ภาร ก, กิจของกิเลสมันก็มีเท่า น, นี้จริงจมันเป็นตัวประสานสมานเชื่อมพบเอาไว้กับพบเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่าไอ ไ, อไอการเชื่อมให้ให้มีต่อไปเนี่ยปกติสัตว์ทั้งหลายก็จะเพลิดเพลินนะเนี่ย ก็เพลิดลนพอใจมากที่ที่เป็นแบบนั้นย้อนให้ผูกเลยครับน<ม>ี่ก็ให้ผูกทำไม่ผูกอีกก็เสียใจอีกใช่ไหมทําไมไม่ผูก <c oughs> เลยผูกไม่ค่อยติดเอ้ทําไมมันไม่ติดอ่ะนะก็เสียใจไปอกีก <c oughs> น, น, นะท่านท่านนายปถมสมิทธิสูตรพระสมิทธิท่านจึงมาถามพระสมิทธิเนี่ยเป็นพระรูปงามเนี่ยเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นพระที่รูปงามมาก ถามว่า ง, งามขนาดไหนงามจนเทวดาชวนให้ศึกว่างั้นเถอะท่านรูปงามขนาดนี้ศึกไปบริโภคกามเถอะว่างั้น <c oughs> เทวดาเดือดร้อนแทนเลยอนะ <c oughs> แต่ตอนหลังท่านก็บรรลุปเป็นพระอรหรันต์นนะถ้าเป็นเป็นผู้ที่มีรูปงามมาก <c oughs> ไม่ทราบนะแต่ประประักอธิบายว่าเป็นผู้ที่รูปงามอะนะ ทีนี้พระสมมิธิก็เข้าไปฝ้องพระผู้มีพระภาค น, นะอันนี้ที่วัดเวลุวันนะพระสมิธิก็กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่ามารมารดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าค่าจึงเป็นมารหรือการบัญญัติว่ามารอะไรมันเป็นมารเหมือนกันเถอดทาไมจึงบัญญัติว่าเป็นมารเหมือนกัน พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนสมิธิจักสุรูปจักสุวิญญาณธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุวิญญาณมีอยู่ณที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็มีอยู่ณที่นั้นมีตามีสีมีจักขูวิญญาณมีภาษาเวทนานั่นแหละตรงนั้นแหละพยมานมารก็อยู่ตรงนั้นะนะคำว่ามานี้มาพระสมิธิถามหมายถึงถามถึงความตายนยนะ เพราะตัวที่มานตัวนี้แปลว่าตายนะอะไรตายก็ตาตายสีตา ย, ตายจากคูวิญญาณภาษะเวทนาพวกนี้แหละตายแล้วถ้ า, ถ า, ถาการบัญญัติว่ามารเนี่ยนะก็อา ศ, า ศ, าศาัยตารูปจากคูวิญญาณภาษาเวทนานั่นแหละมานจึงเกิดขึ้น น, นะความตายจึงมีขึ้น น, นะ หูเสียงโสตะวิญญาณธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยโสตะวิญญาณมีอยู่ณที่ใดมานหรือการบัญญัติว่ามานก็มีอยู่ณที่นั้นแต่พูดในหนึ่งก็คือตายกับความตายอ่ะหรือบัญญัติว่าตายอ่ะมีอยู่ตรงนั้นไงมีอยู่ที่ที่หูมีอยู่ที่เสียงมีอยู่ที่โสตะวิญญาณภาษาและเวทนา จมูกกลิ่นคานะวิญญาณธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยคานะวิญญาณมีอยู่ณที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็มีอยู่ณที่นั้นเนี่ยนะหายใจกันอยู่ทุกวันน่ยนะไม่น่าเนอะไม่เชื่อว่ามารจะอยู่ตรงนั้นนี่ยนะแสดงว่าหลอเลี้ยงมารกันทุกวันเนี่ยนะเลี้ยงขันธามานเนี่ยนะ ลิ้นรสชิวหาวิญญาณธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาวิญญาณมีอยู่ณที่ใดมานหรือการบัญญัติว่ามานก็มีอยู่ณที่นั้นแสดงว่าขณะทานอาหารอร่อยๆขณะนั้นก็มารนเนาะไม่อร่อยก็ไม่ใช่พ้นมารนะก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเพราะว่าตัวลิ้นนั่นแหละเป็นตัวมานเนาะคำว่ามานแปลว่าตายเนะ กายโพธพะกายะวิญญาณธรรมะที่เพึงรู้แจ้งด้วยกายะวิญญาณมีอยู่ณที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็มีอยู่ณที่นั้นเนี่ยนะร่างกายนี่แหละมารนะครูบัญจุถ้าไปไหนก็ไปกับมารใช่มมากับมาร น, นอนอยู่กับมารเดินอยู่กับมาร น, นะนะตัวเองนั่นแหละเนะถ้าถ้าสองก็สองตัว <c oughs> มารเ็าไม่เรียกว่าเป็นคนนี่เาเรียกเป็นตัวตัวไ <c oughs> ใจธรรมรมมโนวิญญาณธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณมีอยู่ณที่ใดมานหรือการบัญญัติว่ามานก็มีอยู่ณที่นั้นเพราะฉะนั้นไอตรงนี้นะ่าลึกซึ้งมากก็คือความคิดนั่นแหละคือมาน่ะนะตัวความคิดนั่นแหละคือมานอันใครอะไรวะเฮ้ยนี่พอคิดวบเออเนี่ยพยา ม, มารเกิดขึ้นแล้วนะนนก็คือความคิดนั่นแหละเป็นมานโอโหนีน้ไม่ถอนหมวกกันนอกเลย แสดงว่าจะลดการพูดลงน้จะไปกินนมก่อนไม่ได้กินข้าเย็นมากินไม่ทันนั่นก็สิ่งเหล่านี้นะทั้งตารูปจกักรคูวิญญาณหูเสียงโสตวิญญาณจมูกกลิ่นคานะวิญญาณลิ้นรสชิวหาวิญญาณกายโพธภะกายยะวิญญาณ มโนเนี่ยนะธรรมะมโนวิญญาณเนี่ยพวกเนี้ยคือมารการบัญญัติว่ามานก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นะสิ่งเหล่านี้เป็นมานด้วยแล้วก็เป็นที่ให้บัญญัติว่าเป็นมานด้วยอันนี้ทั้งหมดที่กล่าวไปนี้ประกาศสัจจะแล้วนะเออเน้นแสดงทุกขสัตว่าเออเนี่ยทุกขสัตว์เป็นอย่างนี้นะทีนี้ประกาศนิโรศสัตว์บ้างไป ดูก่อนสมมิทธิจักสุรูปจักสุวิญญาณธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุวิญญาณไม่มีนณที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็ไม่มีหน้าที่นั้นอันนี้นิโรสัตวนะนิโรสัตนะไม่มีตาไม่มีสีไม่มีจักขูวิญญาณไม่มีธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยจักขูวิญญาณอันนัคือนิโรสัตนะดีไหมถ้าไม่มีตานี่ดีไหมถ้าไม่มีสีไม่มีจักขูวิญญาณไม่มีภาษาเวทนาเนี่ย แต่ถ้าไม่เห็นว่าตาสีจากคุูวิญญาณภาษาเวทนาเป็นมาน่ะนะแน่นอนยังไงก็ไม่ไม่ต้องไม่มีการพ้นสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงโอ้เสียงโสตะวิญญาณธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยโสตะวิญญาณไม่มีหน้าที่ใดมานหรือการบัญญัติว่ามานก็ไม่มีหน้าที่นั้นนะเออถ้าไม่มีหูก็ไม่มีมานไง ไม่มีเสียงก็ไม่มีมานอันี้พูดทุกคําทุกคําเป็นมานด้วยนะเป็นเ่ย น, นะเพราะความตายอ่ะท่านก็ถ้าไม่มีหูไม่มีเสียงไม่มีโสตวิญญาณภาษาเวทนาก็ไม่มีมานนะดังนั้นคําว่ามานในที่นี้หมายเป็นความหมายที่ลึกซึ้งกว่ามานแบบแบบทั่วๆไปนะเพราะมานตัวนี้เป็นเป็นอีกไวโพดหนึ่งของทุกขสัจ ทุกขลักษณะเนี่ยนะเป็นคําถามถามถึงทุกขลักษณะนั่นเองหรืออนิจจาลักษณะเนี่ยนะก็คือเป็นการพูดถึงแต่ลักษณ์ะสิ่งที่พ้นจากความไม่เที่ยงนะสิ่งที่พ้นจากความทุกข์อันนั้นแหละไม่ใช่มารก็พ้นจากมารก็คือพ้นจากหูพ้นจากเสียงพ้นจากโสตวิญญาณเนี่ยพ้นจากความไม่จมูกกลิ่น คานวิญ ญ, ญาณธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยคานาวิญญาณไม่มีหน้าที่ใดมานหรือการบัญญัติว่ามานก็ไม่มีหน้าที่นั้นนะ <war> ดีไหมถ้าไม่มีมานอันนี้ดีนะ <war> ถ้าลิ้นรสเชิวหาวิญญาณธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยเชิวหาวิญญาณไม่มีหน้าที่ใดมานหรือการบัญญัติว่ามานก็ไม่มีหน้าที่นั้นนะว่า <war> อ้าว <war> ก็อดอร่อยอร่อยทีนั้น น, นะนะ แสดงว่าชอบเลี้ยงมาร ม, มากตายโพธพภะกายะวิญญาณธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายะวิญญาณไม่มีหน้าที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็ไม่มีหนา้นาที่นั้นถ้าอย่างนี้นะโดยมากจะยอมรับใช่ไหมเวลาป่วยนะโอ้โหถ้าไม่มีกายไม่มีโพธพภะไม่มีกายะวิญญาณเนี่ยนะไม่มีธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายะวิญญาณก็ไม่มีมารหน้ที่นั้นแหมชอบมากตรงนี้เวลาป่วยนะ เวลาป่วยแบบโอ้โหไข้มันขึ้นแบบเรียกว่านั่งไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขนะไข้ขึ้นมากเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเห็นเออมันจริงๆจริงนะนั้นธรรมะเขาบอกว่าธรรมะกับความทุกข์เนี่ยบางทีก็เป็นของคู่กันนะผู้ที่มีความสุขแล้วก็บรรลุธรรมกับผู้ที่เห็นโทษของความทุกข์มากบรรลุธรรมอันไหนมากกว่ากันนะจนมีบางท่านเขาพูดถึงว่า ท่านเคยได้ยินไหมล่ะสุขะสุขะสมุทัยเนี่ยนะสุขนิโรธโดยนยัยอมีแต่ว่าไม่ค่อยยกขึ้นแสดงใช่ไหมถ้าความสุขดีอยู่แล้วไม่รู้กับจัดเหตุมันไปทำอะไรนะถ้าดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จึงกล่าวถึงทุกขสัส่วนใหญ่เนี่ยนะเพราะถ้ากล่าวถึงสุขปับ๊บสัตว์ทั้งหลายก็นึกถึงความน่าปรารถนาของของสิ่งนั้นใช่ไหม ใจธรรมรมมโนวิญญาณธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณไม่มีหน้ที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็ไม่มีหน้าที่นั้นถ้าไม่ไม่มีมโนนะไม่มีพวางเลยไม่มีธรรมรมไม่มีความคิดเลยนะไม่มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยความคิดไม่มีที่ใดอันนั้นก็ไม่มีมารละธรรมะที่พึงรู้แจ้งเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตดวงนั้น นี่ก็คำว่ามาในที่นี้หมายถึงความตายนะก็เท่ากับพูดถึงอนิจจลักษณะนั่นเองในสูตรที่สองท่านพระสมิทธิก็ถามว่าสัตว์สัตว์ดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่จึงเป็นสัตว์หรือบัญญัติว่าสัตว์นะสัตตะสัตตะเนี่ยนะสัตว์เนี่ยมาจากไหนทไมจึงมีสัตว์อ่ะก็มีจักรสุมีรูปมีจักรุวิญญาณมีธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุวิญญาณนั่นและ จึงมีสัตว์ใช่ไหมหรือบัญญัติว่าสัตว์จึงมีมีหูมีเสียงมีโสตวิญญาณมีธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยโสตวิญญาณนั่นแหละมีจมูกมีกลิ่นมีคานวิญญาณธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยคานาวิญญาณมีลิ้นมีรสมีกานะมีลิ้นมีรสมีกายวิญญาณมีธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายะชิวหาวิญญาณนี่นะทวารกายทวารใจก็ลักษณะเดียวกันตอนคําว่าสัตว์ก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละ จึงจึงบัญญัติว่าสัตว์เนี่ยนะแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยการบัญญัติว่าสัตว์ก็มีไม่ได้นีนะมันก็บัญญัติว่าสัตว์นี้ก็มีได้เพราะอาศัยมีธรรมะเหล่านี้นั่นเองแต่ถ้าไม่มีธรรมะเหล่านี้นะสัตว์ก็ไม่มีใช่ไหมบัญญัติว่าสัตว์ก็ไม่มีโวหารว่าสัตว์ก็ไม่มีอีกคำหนึ่งก็คือทุกทุกเนี่ยนะ คำว่าทุกข์นี่แค่ไหนที่พระสมิติถามมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าทุกข์ทุกข์ดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าข้าจะพึงเป็นทุกข์หรือจะพึงบัญญัติว่าทุกข์นันี่พระองค์ก็เม่ยแหละทุกข์ก็คือตาสีจกักรวิ ญ, ญญาณภาษาเวทนานั่นแหละเป็นตัวทุกข์ละนะเสียงโสตวิ ญ, ญญาณภาษาเวทนานั่นแหละคือตัวทุกข์จะโหมกลิ่นขานะวิญ ญ, ญาณ ลิ้นรถชิวหาวิญญาณกายโพธภิภะกายยะวิญญาณมโนธรรมะมโนวิญญาณเนี่ยแหละคือตัวทุกข์มันนะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีทุกข์สินะดีั้มถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ใจนิดสงสัยจะดีนะอ๋อเผื่อหน้าดูเลยนะดีัหยคุณตง ดีนะไ ม, ไม่ต้องสงสัยเลยนะดีจริงเลยคุณอาเรดีไหมเพราคิดดูก่อนนะเอาอันนั้นก็มีแนวความคิดแบบคุณมุนมีสิ่งเอไม่มีมันก็ต้องไม่มีทั้งหมดสิไม่ใช่ว่าแหมกันล่องกันแร่งเต็ม ท, ทีแล้วไม่ใช่อันนั้นเกาจะเป็นดีเรื่องไดเรื่องอนะไรเราไะถ้าอย่างนั้นนี่ก็โอ้โห นมีพานไม่ใช่แบบนี้อ่ะนะคนละเส้นกันแล้วถามว่าไม่มีก็คือไม่มีหมดเลยเนี่ยนะไม่มีทุกทวารเนี่ยนะจบเลยว่างั้นเอางั้นก็ศูนย์สิา ถ, าา ถ, ถามว่าไม่มีนี่แค่ไหนนะคือไอ้ที่จะไม่มีได้จริงๆอ่ะนะต้องต้องไลขยะยา น, น่ะนยานในอรหัตผลน่นแหละมันจึงไม่มีจริงๆ แต่ถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปแล้วก็ไม่ห่วงอ่ะดูเหมือนเที่ยงเลยนะถ้าใครจะพูดว่าเที่ยงแทบไม่ผิดเลยที่ใช้คำว่าแทบไม่ผิดเนี่ยหมายความว่าถ้าไม่ใช้มัดผลเป็นเครื่องกำจัดนะมันเป็นอย่างนี้มันมันไม่มีหมดมีสิ้นไม่มีเลิกมีรานะคล้ายๆแบบนั้นนะ่ะ น, นี่ดูใน อีกสูตรเดิมเนี่ยนะคือมูลปยายสูตรตอนท้ายกล่าวว่าพระอรหันเนี่ยเป็นผู้ที่กลืนกินการเนี่ยนะท่านกลืนกินการยังไงถ้าตั้งคําถามแบบนะี้พระอรหันคือผู้ที่กลืนกินการนะเมื่อก่อนก็ฟังแล้วก็ผิวเผนะินเนี่ยพระอรหันเนี่ยท่านพ้นการไปหมดเลยก็ดูอีกครั้งหนึ่งออกบอกว่าพระอรหันเป็นผู้กลืนกินปฏิสนธิการเรียบร้อยหมด ถ้าทหันไม่มีปฏิสนธิการอีกต่อไปอันทาทหานผู้ผู้ผลการหรือปลืนกินการเนี่ยนะก็คือท่านไม่มีปฏิสนธิการอีกเลยบรนท่านก็ไม่มีทุกขอย่างลงใช่ไหมคือคือเมื่อกลืนกินปฏิสนธิแล้วเนี่ยนะนามรูปมันก็ไม่เกิดถ้านามรูปไม่เกิดอายตนะจะเกิดแต่ที่ไหนทุกทั้งหลายจะเกิดแต่ที่ไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้กลืนกินปฏิสนธิการเรียบร้อยแล้ว ไอ้คำว่าไม่มีทุกเหล่านี้นะไม่มีมานไม่มีทุกไม่มีสัตว์เนี่ยอันนี้หมายถึงเน้นไม่มีปฏิสนธินะไม่ใช่เน้นแค่ไม่มีอยู่แค่นี้ไม่มีแค่นี้นข้อปฏิบัติไม่ใช่ไปทำสิ่งเหล่านี้ให้บอดนะฟังให้ดีนะข้อปฏิบัติการเจริญวิปัสนาไม่ใช่ไปทำสิ่งเหล่านี้ให้บอด แต่ทำยังไงจะไม่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นเห็นไหในสูตรที่4นะพระสมิธีก็ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าโลกโลกดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงเป็นโลกหรือบัญญัติว่าโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนสมิธิจักโสโรูรูปจักโสวิญญาณธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสูวิญญาณมีอยู่ณที่ใดโลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็มีอยู่ณที่นั้นนะ ก็เท่ากับบอกว่าโลกทางทวารตาใช่ไหมโลกทางทวารหูโลกทางทว า, ทาทร จ, วาจมูกโลกทางทวารลิ้นโลกทางทวารกายแล้วก็โลกทางทวารใจ น, นะ ส, น ส, สิ่งเราเนี่ยคือโลกอาศัยสิ่งเ่าเนี้ยจึงบัญญัติว่าโลกแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้อีกก็ไม่มีโลกอีกนั่นแหละนะคำว่าโลกแปลว่าแตกทำลายนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แตกทำลายอยู่แล้ว แล้วก็ผ่านไปหกสูตรแสดงทั้งวัตตะและวิวัตตะประกาศอริยสัจเรียบร้อยไปแล้วหกสูตรยังไงบ้างลึกซึ้งบ้างไหมอริยสัจป่าธนาบรรลูกกันเลอกเกินนะแต่วัง ย, ยังไงกันแน่คือเขาบอกว่าถ้าผู้ที่น้อมไปน้อมไปคิดที่จะยอมรับว่าเห็นด้วยเออเนี่ยมันเป็นมานจริงๆเนี่ยนะ นี่สงบมารรล้นี่สัตว์นี่สงบจากสัตว์นี่ทุกนี่สงบจากทุกนี้โลกนี่สงบจากโลกเนี่ยนะถ้ามีอัธยาศัยน้อมไปคิดอย่างนี้ก็มีเขาเหมือนกันว่าเปอร์เซ็นต์สูงที่จะบรรลุอริยสัจแต่ถ้าไม่คิดจะน้อมไปเพื่อจะคล้อยตามแบบนั้นเลยนะโอเ้เขาไม่มีเลยอ่ะถ้าถ้าถ้าฝนเนี่ยถ้าไม่มีเขาก็แปลว่ามันไม่ตกใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าไม่น้อมไปไปยอมรับลักษณะนี้เนี่ยการที่จะเห็นอริยสัจมันเป็นไปไม่ได้ที่ที่ทเรียกว่าจะบรรลุอริยสัจเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่เห็นโลกทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเย็นสบายอันนี้แน่นอนอยู่แล้วยังไงก็ไม่บรรลุอริยสัจอันนี้ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวเป็นกติกาธรรมดามากะนะ ว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าโลกทวาันตาก็เย็นทวาัหูก็ดีท้าววาันจมูกก็หอมอย่างเงี้ยนะถ้าอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะรู้อริยสัจแล้วนะนั่นก็เอาไงดีทางการสอนเราต้องพยายามเอานาะถ้าว่าสาธุแสดงว่าผู้ที่จะร่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรใช่ไห ม, มก็เพียรต่อไปก็แล้วกันถึง ว่ถึงเราจะชอบทวารตานะเราก็ต้องบอกทวารตาเป็นมารเราก็ต้องว่าตามพระพุทธเจ้าไปก่อนนะก็ออไปคืออะไปเถียงท่านเลยว่างั้นเถเพราะท่านเป็นผู้รู้เราไม่รู้เนี่ยนะว่าไปตามท่านแต่ก่อนแต่ถ้าว่าไปนานๆนะจะยอมรับเออจริงอย่างพระพุทธเจ้าว่าจริงๆนะเนะพ้องว่าไม่ผิดรอกนะนยะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมารมันก็เป็นมารจริงๆแปลว่าเป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา นะเป็นสัตว์แปลว่าข้องเนี่ยนะก็ไอ้สิ่งเหล่านี้แปลเป็นติที่ติดที่ข้องเป็นธรรมดาจริงๆริ่เรียกว่าทุกเก็สิ่งเหล่านี้ยเป็นทุกอย่างพระองค์ว่าที่ว่าโลกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแตกสลายไปก็สลายไปอย่างพระองค์ว่าจริงๆไม่มีอะไรคงทนนะในโลกหกทวารเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยมีอะไรไหมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะในนี้ในทวารหกเนี่ยศึกษาดูเถอะที่มันเหมือนเดิมไม่มี มีแต่เกิดการสลายไปตลอดเลยนะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างมานห้าเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในคํานี้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับขันมันห้ายัางไงก็ขันตมันมนตะบุมันเป็นอย่างไรขอบเขตของแต่ละคาเป็นยังไงก็อยากจะ ว่ามันมันมันมันอยู่ในขอายเดียวหรือว่าหมายถึงว่ามัมนเดียวใช่คือคำว่ามานในในมานห้าเนี่ยนะอย่างขันทํามานก็คือเน้นอธิบายว่ามันเป็นอุปสรรคขัดขวางในการเจริญกุศลเ่โรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนบ่อยๆเนี่ยนะท่านจะอธิบายลักษณะนี้ แล้วก็ถ้ามัจจุมานก็คือมานคือความตายเนี่ยนะมาตัดรอนออกไปหรือว่าเทวประพฤติมานก็คือเทวดาที่มาขัดขวางในการเจริญกุศลถ้าเป็นกิเลสมานก็คือตัวกิเลสที่มันเกิดขึ้นอภิสังขารมานก็คือเจตนากรรมที่มันปรุงแต่งแล้วก็นําเกิดเนี่ยในมารเหล่านั้นเนี่ยตรงนี้ เป็นการลักษณะประกาศเพื่อต ma ีระปริญญากับปะหานะปริญญาเนี่ยเพื่อให้พ้นจากมารเหล่านั้นนี่เออมารห้าอย่างเหล่านั้นกับณที่นี้เนี่ยเหมือนกันไหมนั่นะตั้งคาถามก็ไปพิจารณาเอาไปแล้วกันนะเหมือนหรือไม่เหมือนนะแต่ว่าแต่ว่ามารตรงนี้ยหมายถึงเอามัดดูมานอย่างเดียว <อ>คือธ้ามัจจุ ม, มาลมันต้องตายจริงๆนะครับจึงเรียกว่ามัจจุมาลถ้าขันธมานมันก็ต้องป่วยจริงๆเนี่ยนะจึงเรียกว่าขันธมานแต่อันนี้เป็นปัญญาที่เข้าไปพิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นคือคือไม่ใช่หมายถึงว่าต้องไปเป็นอย่างนั้นก่อนแต่หมายถึงว่าเออความจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะมันธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนี้จริงๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเป็นแบบนั้นก่อ น, น, นเข้าใจนะว่าอย่างเช่นขันเอ่อเนี่ยนะทวารทั้งหกเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่ต้องตายใช่ก่อนเนี่นยนะถ้าก็ก็กกกคือขอบเขตถ้าเท่าที่สังเกตอัถะตรงนี้ก็น่าจะแตกต่างกันเนี่นยนะเพราะมารตัวนั้นเนี่ยแปลว่าขัดขวางในการเจริญกุศลเลยขัดขวางที่จะบําเพ็ญคุณความดีนะ ในระว่าพระพุทธเจ้าพูดชนะมารห้ามารตรงนั้นแต่ในที่นี้เนี่ยหมายถึงการประกาศทุกขศัพท์ว่าอัถฐของทุกขศัพท์นี่มันเหมือนมาร น, นะเนะซึ่งซึ่งหมายคือว่าถ้าไม่ทำกิจพิจารณาดับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอิกสูตรนะในอุปเส น, นะสูตรสูตรนี้นะดูประทับใจดี สูตรสรพิษสมัยก่อนทําไมมันมีพิษร้ายแรงขนาดนั้นไม่ทราบสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าและท่านพระสารีบุตรท่านพระอุปเสนะอยู่ที่ป่าชื่อว่าศรีตะวันเงื้อมเขาสัปปะสนาดิกะกรุงราชครึกสมัยนั้นแหละอสารพิษตัวหนึ่งได้ตกลงมาที่กายของท่านพระอุปเสนะนะอุปเสนะนี่บางทีเขาเรียกชื่อเต็มว่าอุปเสนวังคันตบุตร แปลไงถ้าภาษาริบุตรอย่างเงี้ยเรียกทางแม่ไงพระอุปเสนเรียกทางพ่อคือพ่อภาษาริบุตรชื่อว่าวังคันธพรามบอกว่าอุพระอุปเสนนะอุปเสนวังคันธบุตรนะเขามีชื่อเต็มอย่างนั้นแต่ภาษาริบุตรนัลูกของนางสารีภาษาริบุตรก็เป็นพี่ทายคนใหญ่ใช่ไหมเอาเรียกทางแม่กันแล้วกันพระอุปเสนนี่เรียกทางพ่อทีนี้อสสารพิษที่ตกลงมาที่กายของพระอุปเสนเนี่ยหมายถึงว่าตกลงมาแล้วมันก็กัดอยู่แล้วงูนะ ครั้งนั้นแลท่านพระอุปเสนะเรียกที่สูทั้งหลายมาว่าจงมาเถิดผู้มีอายุจงยกกายของเรานี้ขึ้นสู่เตียงแล้วนําออกไปภายนอกก่อนที่กายนี้จะเรี่ยราดประดุดกําแกลบณนะที่นี้แหลรีบยกไปนะก่อนที่มันจะกระจายเหมือนแกลบอย่างนั้นเะเมื่อท่านพระอุปเสนกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระเสียท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระอุปเสนว่า ความที่กายของท่านพระอุปเสนเป็นอย่างอื่นหรือความเปลี่ยนความแปรปรวนแห่งอินทรีย์ของท่านพระอุปเสนเราทั้งหลายยังไม่เห็นเลยคือปกตินะใครที่รู้ว่าตัวเองจะตายเนี่ยปกติจะต้องมีกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมให้เห็นชัดนะตานี่จะต้องแบบจะต้องเปลี่ยนอนะนะเส้นแววตาจะต้องเปลี่ยนสีหน้าเป็นต้นก็จะต้องเปลี่ยนใช่ไหมแต่นี่ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะที่เราว่าก่อนงูตกใส่กับ ตอนที่กายมันจะแตกเอ๊ะทำไมไม่เห็นมันต่างอะไรกันเลยอินทรีย์ดูเหมือนเดิมทุกอย่างหมดเนี่ยนะไม่มีสำนวนว่าไม่มีอะไรผิดปกติเนี่ยนะขณะเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพระอุปเสศยังพูดอย่างนี้ว่าจงมาเถิดผู้เมียยุจงยกกายของเรานี้ขึ้นสู่เตียงแล้วนำออกไปภายนอกก่อนที่กายนี้จะเรี่ยราดประดดกรรมแกลบเล่าณนะที่นี้ท่านพระอุปเสศก็กล่าววา่า ท่านพระสารีบุตรผู้ใดพึงมีความตรึกอย่างนี้ว่าตรึกอย่างนี้คือตรึกด้วยกามวิตกไหตรึกด้วยอำนาจของกามวิตกว่าจักสุเป็นเราหรือจักสุเป็นของเราหูเป็นเราหรือเสียงเนี่ยเป็นเราคือเป็นเราเป็นของเราอ่ะนะสำคัญว่าจักสุเป็นเราเป็นของเราหูเป็นเราเป็นของเรา จม的的ูกเป็นเราเป็นของเราลิ้นเป็นเราเป็นของเรากายเป็นเราเป็นของเราใจเนี่ยเป็นเราเป็นของเราเพราะนั้นผู้ที่มีความคิดแบบนี้เนี่ยนะความที่กายเป็นอื่นหรือความแปรปรวนแห่งอินทรีย์ก็พึงมีแก่ผู้นั้นแน่นอนถ้าใครคิดแบบนี้นะถ้ารู้ว่าตัวเองจะตายเดือร้อนแน่อันนั้นหนึ่งคิดว่าตาเป็นเราหรือเป็นของเราหูเป็นเราหรือเป็นของเราจมูกเป็นเราหรือเป็นของเรา ล้นเป็นเราหรือเป็นของเรากายเป็นเราหรือเป็นของเราใจเนี่ยเป็นเราหรือเป็นของเราก็คือสําคัญด้วยอำนาจอัตตะกับอัตตนิยะเนี่ยเองนะสำคัญว่าอัตตะกับบริขารของอัตตาแต่ถ้าสําคัญว่าเป็นอย่างนั้นภาบเนี่ยถ้ารู้ว่าจะตายเนี่ยเดือดร้อนแน่ี๋นะใครที่สําคัญแบบนั้นนะท่านพระสารีบุตรเราไม่ได้มีความตรึกอย่างนี้ว่าคือท่านไม่ได้มีกามวิตกที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิว่า จักสูเราเนี่ยเป็นจักสูหรือจ <aning> ักรสูเป็นของเราท่านไม่ไ <pancakes> ด <out> <tycznie> <tt> ้มีความสําคัญอย่างนั้นเลยไม่ได้มีความสําคัญว่าหูเป็นเราเป็นของเราจมูกเป็นเราเป็นของเราเลนเป็นเราเป็นของเรากายเป็นเราเป็นของเราใจเป็นเราเป็นของเราเนี่ยนะท่านไม่ได้มีความสําคัญอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นความที่กายเนี่ยจะกลายเป็นอย่างอื่นหรือความแปรปรวนแห่งอินทรีย์นั้นจะมีแก่เรานั้นได้อย่างไรมันจะเป็นไปได้อย่างไรจะเสียใจเนี่ยนะ ท่านพระธีมุตท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าเห็นโลกมันเสมอด้วยต้นท่อนย่านะถ้าใครตัดท่อนย่าเป็นต้นจะไปเดือดร้อนอะไรกับมันไหมเอาเอาหญ้า ท, ที่ที่ไม่ใช่สนามหญ้าพวกนั้นนะหญ้าทั่วๆไปนะถือหญ้าที่มันไม่มีใครดูแลไม่ไ ม, มีใครหวงแหนเลยนะที่เขาตัดออกไปเนี่ยถามว่าจะมีใครไปเดือดร้อนกับมันไหมไม่มีใครไปเดือดร้อน